10. กะยะวิกายะสิกขาบท 43. ถามทรงบัญญัตินิสักียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ทาการซื้อขายมีประการต่างๆณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินครุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพท่านพระอุปนันทะสากยุบทถามเพราะเรื่องอะไร ตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุปนันท า, ากยบุตรทำการซื้อขายกับปริภาชกในกยะบิกยะสิขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐานโกศิยวักที่สองจบ